เพราะฉนั้นการเนี่ยมันเหมือนกับชิ้นเนื้อมันเป็นที่แย่งชิงกันเหมือนกับอะไรอะไรก็ตามเอะถ้าเป็นของดีนะมันจะแย่งชิงกันทุกเรื่องนะคิดดูนะอย่างสมัยเนี้ยเขาสมมุติว่าเขารับสมัครครูสองคนนะเขา้าเข้าสมัครสอบเท่าไหร่สอบแข่งนะเป็นพันอ่ะบางทีก็จะเป็นหมื่นอ่ะเอาแค่สองสามค น, น, น, เ, นคเนี่ยนั่นแหละโอ้ยคิดดูนะนนนใช่ ไปแย่งชิงกันขนาดไหนใช่ไหมกว่าจะได้เนี่ยอืมกว่าจะได้เนี่ยเห็นไหมขายใบสมัครก็ได้ไปเยอะเลยเพราะมันแย่งชิงกันจริงๆอ่ะ น, นะเรียกว่ายิ่งแบบกีฬาเนี่ยนะแย่งชิงไอ้ไอ้ถ้วยอ่ะนะโอ้ยกว่าจะได้ใช่ไหมแย่งชิงถ้วยเหน็ดเหนื่อยแทบตายอย่างมวยใช่ไหมแย่งชิงเข้มขัดกันเนี่ยนะโอ้ยแทบตายอ่ะ รักษาไว้เถอะใครรักษานานก็โอ้โหบวมหมดอะสะบักสะบอมกันหมดอะบ้านที่ดินก็เหมือนกันนะการประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะใครอุ้มไม่มากข้าบไม่มากเดี๋ยวคนอื่นก็มาตีละตีซ้ายตีขวาขนาบหน้าขนาบหลังตําแหน่งนายกนี่มีใครลงสวยบ้างเอ า, อยานยะถูกตีซะร่วงอนะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าที่ขึ้นไปขาบตําแหน่งนนะั้นเอาไว้เนี่ยนะ ก็เป็นลักษณะนั้นว่าโอ้โหเป็นที่แย่งชิงเป็นที่ห่วงแหนเป็นที่ยึดถือของสัตว์จริงๆเหมือนชิ้นเนื้อนะปล้นกันชิงกันเอาทะเลาะกันเอาอ่ะอ่านะอย่างนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนานะเพพิจารณาเห็นว่ากามอ่านะคือสิ่งที่น่ายินดีทั้งหมดทั้งความยินดีเหมือนกับชิ้นเนื้อมันเป็นที่แย่งชิงกันอนะ่ะผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนครบยาเพราะอัฏฐว่าเป็นของตามเผาก็ย่อมเว้นฉาก เว้นขาดจากกามโดยการข่มไหมสมัยเด็กๆเกมื่อก่อนเนี่ยนะจะชอบถือไอ้ไม้ลําปอเนี่ยมาจุดไฟแล้วก็เดินถ้าเดินถือถือทวนลมนะครับอะไรจะเกิดลมมันก็จะพัดเปลวก็ตกใส่ตัวใช่ไหมหรือเอาย่าคาเนี่ยย่าคามามัดเป็นครบอนะ่นยแล้วก็ถือเดินทวนลมดูเถอะถ้าถือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยนี่ยนะต้องปล่อยใช่ไหมถามว่าถ้าไม่ปล่อยทาไงมันก็เผามืออะนะ ฉันใดเนี่ยวัตถุกรรมทั้งหลายที่เรามีมีอยู่นะลองไม่ปล่อยดูสิครับ น, นะลองไม่ปล่อยดูนะสมมตินะเขาบังคับว่าแกต้องอยู่บ้านนี้ห้าร้อยปีสมมตินะโอ้โหสบายไหมมันผุมันพังก็ต้องอยู่นะบอกโอ้โหรถเก๋อสมมตินะเรามีอายุสิบปีเนี่ยนะเขาออกรถให้หนึ่งคันเนี่ยดีใจแย่เลยใช่ไหมบอกชีวิตนี้แกต้องอยู่กับรถคันนี้ตลอดไปโอ้โหคันเดิมเนี่ยนะสิบปีเงื่อตกรุ่นนะใช่ไหม 2ี่สิบปีเนี่ยนะโอ้โหชักไม่ไหวแล้วนะมันล้าสมัยที่สุดแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเป็นลักษณะนะั้นวัตถุแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ที่เราพอใจเนี่ยถ้าไม่ปล่อยดู อ, อะไรจะเกิดนะเมื่อเช้าคุณบุญชูเล่าอะไรมีรถคันหนึ่งใช่ไหมใช้ไปใช้ไปใช้ไ ป, ใ, ไปในที่สุดก็ต้องปล่อยอะ่ะถ้าไม่ปล่อยมันไหม้อะ่ะเฮ้ยทำไมต้องปล่อยอะ่ะ มันผุไปพังไปนะจะวิ่งรถผุวิ่งรถผุๆวิ่งไปถ้าล้อหลุดจะทําไงเอ่ะจต้องปล่อยก่อนนะนะถ้าไม vida, Renee, ia, ่ปล right? ่อยมันจะเผาเอาอ่ะร่างกายนี้ก็เหมือนกันให้อยู่สักอีกห้าหกคนละห้าหกสิบปีเอาไหมอาจารย์เคสอนเอาไหมห้าหกสิบปีข้างหน้าอีกดูแลไอ้ขันอะเนี่ยต่อไปกร้อยกว่าปีนะก็เท่าไรก็ร้อยยี่สิบปีเท่านั้นเองนะไม่ไหวนะก็โผล่ก็เพลกเต็มที่อ่ะก็บอกให้อยู่กับฟันชุดนี้อีก ร้อยกว่าปีเนี่ยทาไงบริหารยังไงนะเงือกเนี่ยโอ้ยชุ่ไปหมดอะ่ะรวนไปหมดอะแล้วห้ามถอนด้วยนะให้ดูแลต่อไปอย่างนี้แหละโอ้ยจะเดือดร้อนขนาดนะไี้กายนี่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยทุกแน่เผาแน่ทุกเรื่องทุกเรื่องนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่ปล่อยนะสมมุติถ้าคนที่เราพอใจที่สุดเนี่ยนะสมมติวนะ่าโอ้เขาอยู่แล้วเขาตายจากเราใบาถามว่าเราต้องปล่อยไหยถ้าไม่ปล่อยเดือดร้อนแน่นขึ้นอืดอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวก็เน่านอนก็ชอนใจอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ปล่อยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเหม็นอ่ะเนี่ยนะเพราะในทุกอย่างที่เรามีมีอยู่เนี่ยนะจําเป็นต้องปล่อยบอกถ้ายิ่งในร่างกายของเรานะอะไรที่มันควรจะขับถ่ายออกถ้ามันไม่ออกอะไรจะเกิดเช่นปวดปัสสาวะเนี่ยนะไม่ได้ปัสสาวะเนี่ยอะไรจะเกิดโอ้โหโ อ, อ ก, ก็ทุกข์ใช่ไหมปวดอุจจาระเนี่ยนะแล้วมันไม่ถ่ายยังไงนียมันก็ทุกข์อีกนะมีท้องแล้วไม่คลอดลูกสักทีอย่างเง้ย น, นะแช่อยังนั่นนะเก็บไว้นะถามมันจะทุกข์ขนาดไหน หรือของที่เราอมเอาไว้นะเรามันไม่อร่อยอะ่ะเราจัจะคายแล้วมันคายไม่ได้อะไรจะเกิดเนี่ยนะพวกนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้ามันติดอยู่ถา้าไม่ปล่อยเนี่ยโอ้โหทุกขณัติเนี่ยนะวัตถุ ก, การมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เรามีอยู่นะถา้าไม่ปล่อยเนี่ยมันเผาแน่นะเผาจนทุกข์กันนะก็ติดข้องในบ้านตายแล้วเกิดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าบาปให้ผลก็จิ้งจกตุกแกเฝ้าอยู่นั่นนะ่ะเอาไม่เกิดเป็นจิ้งจกตุกแกเฝ้าตู้เซตยังไงนะ ก็เกิดเป็นหอ้ติดบ้านมากเกิดเป็นมดเป็นปลวกจะกินบ้านไปให้หมดเลยนะเขาฉีดยาตายมาลนะมันก็ตะข้องวัตถุใดๆก็เกิดแถวๆนั้นนะติดในผมมากเกิดเป็นเหาอยู่บนผมเน้อนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็ถ้าผู้ใดไม่ยอมปล่อยนะเผาแน่แล้วก็บอกว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบด้วยล้มฐานเพลิงเพราะอาถาว่าเป็นของให้เร่าร้อนมากนะผู้พิจรารณาอย่างนี้ก็เว้นขาดได้ อย่างที่กล่าวไปนะอย่าลืมว่าเป็นการเจริญวิปัสนาว่าพิจนากรรมเนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะสมมติพูดพูด ท, ท, ทั่วไปสําหรับคนที่บุญน้อยทั้งหลายแล้วเนี่ยนะกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนอ๋อกว่าจะได้รถคันหะนึ่งกับเขาเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะสมัครถามกว่าจะมีงานอยู่เนี่ยเหนื่อยขนาดไหนประกอบอาชีพแต่ละอย่างนี่มันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนชาตินี้ก็เหนื่อยเต็มทีแลนะเนีย มีแม่บ้านเนี่ยคนหนึ่งโอ้ยเลี้ยงดูเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนคิดดูนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งเนี่ยล้างจานให้เขากี่รอบเอาคิดดูวันหนึ่งล้างกี่ทีอย่างเงี้ยเนะียเช็ดบ้านให้เขาใช้กี่ครั้งกนะันนะก็คิดดูนะใครที่มีมีทั้งหลายแหละมันเดือดร้อนอ่ะชาตินี้ก็เหงื่อแตกพลักกันนะั่นทั้งนั้นไนะเสร็จแล้วถามว่าที่ทําทั้งหมดทําด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วใครจะตกนรกอะคะนี้ตัวเองกันนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละ เหมือนหลุมฐานเพลิงไงไหมชาตินี้ก็ร้อนเราร้อ น, นอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคนมีครอบครัวนี่อยู่นิ่งไม่ได้เกินบอกคนนึกอยากจะพักวันหนึ่งทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้หรอกเพราะมันมันอ่ะนะขันห้าบวกขันห้าได้อีกห้าขันบวกกันมากขึ้นทีละห้าทีละห้าทีละห้าบางคนมีสิบคนนี่ก็ห้าสิบขันเนี่ยนะเลี้ยงไว้แต่ละขันแต่ละขันก็คนมีกิเลสทั้งนั้นมาอยู่ด้วยกันอ่ะนะ ก็ของเรียกว่าไอ้เราก็มีกิเลสไปหาคนมีกิเลสมาอยู่ร่วมแล้วก็เกิดคนมีกิเลสขึ้นมาอีกอนะวหามันจะเดือดร้อนขนาดไหนเราก็มีโรคอยู่แล้วหาคนมีโรคมาอยู่ด้วยแล้วก็เกิดลูกที่มีโรคขึ้นมาอีกดูแลไปนี่ยโรคเลี้ยงโรคบรรเทาโรคขันเลี้ยงขันบรรเทาขันไปงั้นแหละจะเดือดร้อนขนาดไหนชาตินี้เนี่ยและที่เลี้ยงดูกันโดยมากไม่ค่อยมีใครทําด้วยกุศล จ, จิตไม่ทําด้วยราคะตอนพอใจก็าราคะตอนไม่พอใจก็ โทสะทั้งคู่กับโมหะตามเดิมนั่นแหละเนี่ยนะราคาโทสะโมหะนะเจตนาก็เป็นเหตุแห่งกายทุจริตปจีทุจริตมโนทุจริตในที่สุดเนี่ยนะตายก็อาบายทุกขติวินิบาตเหมือนเราที่มานั่งฟังเสียงเด็ดสัตว์เดรัจฉานร้องเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นผลของการเพลิดเพลินในกามเนี่ยนะนี่เป็นผลของการติดข้องในกามถ้าอดีตชาติเขาไม่ข้องในกามนะเขาไม่ปฏิสนธิเกิดเหล่านี้หรอก เกิดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลักนี้ก็เพราะเป็นโทษของการติดข้องในวัตถุ ก, กามด้วยอํานาจกิเลสกามนี่แหละทําให้มันเดือดร้อนทุกขร้ อ, น, อนกามทั้งหลายจึงเหมือนหลุมฐานเพลิงร้อนทั้งโลกนี้ด้วยร้อนทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะีมีสวนให้สักสวนหนึ่งแล้วต้องดูแลเองเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนมีสวนย่อมต้องดูแลเองสักสวนหนึ่งเฮ้ยเดือดร้อนขนาดไหนถ้ามแมลงมากัดอ้าวที่มาของปานาติบาตอีกเนี่ยนะี เพราะนั้นมันเป็นที่เราร้อนทั้งชาตินี้ด้วยร้อนทั้งชาติหน้าด้วยนะนะั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็ผู้พิจารณาอย่างนี้มากๆก็เรียกว่าละโดยการข่มไว้หรือพิจารณาว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรียกว่าปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยเนี่ไนงะฝันนี่ไนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยต่างอะไรจากฝันแต่ละแห่งที่เราไปต่างอะไรจากฝันสิ่งที่เราเคยเห็นมาเนี่ยต่างอะไรจากฝัน นะสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยรับรู้เคยรับกระทบแต่ละทาวารสิ่งที่เรานึกคิดสิ่งที่ผ่านมานะสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งที่ไปเหมือนฝันทั้งนั้นเลยเพราะว่าอา้าสมมติว่าเราเคยหนุ่มเคยสาวเนี่ยนะตอนนี้เอามาดูให้หน่อยสิเป็นยังไงดูไม่ได้อยู่แล้วเนี๋ยนะมันเหมือนฝันอนะคิดเอาเท่านั้นแหละพันชีวิตในแม้กระทั่งขนาดนี้เดี๋ยวก็จะเป็นฝันของ ขณะต่อตไปใช่ไหมชีวิตขณะต่อตไปก็จะเป็นฝันของขณะต่อต่อไปอีกนะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยฝันถึงอดีตบ้างฝันอนาคตบ้างสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่ในโลกแห่งความฝันเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความฝันก็ปรากฏชั่วเวลาเล็กน้อยเนี่ยนะของฝันเ่ยนะมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรหรอกไม่มีใครอยู่ในโลกแห่งความฝันได้ตลอดไปอะ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ฝันก็ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวทั้งนั้นแหละ มันก็บอกว่าปรากฏเล็กช่วเวลาเล็กน้อยนะมันแม้กระทั่งชีวิตของเราก็เหมือนความฝันทุกสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกับความฝัน น, นะฝันว่าเคยอยู่เชียงใหม่แล้วก็ฝันว่าจะไปเชียงใหม่อีกใช่ไหก็อยู่อย่างงี้มันอยู่ด้วยความฝันจริงจิงนะคุณจูนนะนี่ต่อไปนะว่าผู้ที่เว้นขาบคือผู้ที่เห็นอยู่ว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนของขอยืมพระอาัาว่าเป็นไปช่วง การที่กําหนดนะผู้ย่อมเว้นขาดจากกรมได้นะพิจารณานะว่ากรรมทั้งหลายที่เรามีอยู่นะชั่วของขอยืมนะร่างกายของเรามีกําหนดใช่ไหมกําหนดนะนะว่าจะต้องส่งคืนเท่าอ่ะก็เราไปยืมมหาภูตรูปมาใช้ยืมอาโปยืมเตโชยืมวาโยธาสมาใช้อ่ะก็ยืมธาตุสี่มาใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะต้องทิ้งธาตุสี่ออกไปยืมความสุขมาเนี่ยก็แสดงว่าจะต้อง หมดความสุขออกไปนะยืมความสุขยืมความทุกข์ยืมขันห่านะยืมมันของสิ่งเหล่าเนี่ยก็ยืมก็ทุกอย่างมีช่วงกําหนดเวลาหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเลยกําหนดเลยเวลาเนี่ยนะมันของขอยืมมาทั้งนั้นแหละเห็นไนะมีอะไรบ้างที่เหมือนกับเหมือนเราของเราจริงๆเอา้า โยมคนนึงก็บอกว่าเงินในท้องมันของเราในกระเป๋าไม่รู้มันของใครก็ว่างั้นก็ทามากินจริงๆอ่ะนะถ้าเอาของสิ่งนั้นมาใช้ได้จริงอันนั้นี่ยจริงกับเรื่อว่าของเราถ้าใช้ไม่ได้จริงมันไม่ใช่ของเราก็ว่างั้นก็ยังจริงๆไอ่ที่ว่าเรามันก็ชั่วคราวอีกนั่นแหละนนี่มันก็แค่ฝันฝันว่าเคยอิ่มอาหารเนี่ยนะฝันว่ากินอิ่มฝันว่านอนหลับเนี่ยนะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะชีวิตที่ไปเดี๋ยวก็จะฝันฝันฝันอยู่ในโลกแห่งความฝันนะแล้วก็แต่ละอย่างก็สรุปว่าของขอยืม ยืมเนี่ยจะต้องทุกอย่างที่เรายืมเนี่ยมีกําหนดเวลาจะต้องจ่ายจะต้องสละคืนออกไปทั้งหมดะนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของขอยืมอผู้ที่เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนผลไม้มีผลดกนะะผลไม้มีผลดกมันเป็นยังไงก็คือมีสมมติมีต้นไม้ต้นหนึ่งโอ้โหเป็นต้นใหญ่มากสูงมากผลเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้ชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าเออ ผลไม้เนี่ยมันกินได้อร่อยดีนี่แต่ว่าลูกตกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้เราก็ปีนขึ้นต้นไม้เป็นเนี่ยปยีนขึ้นไปเลยนะไปเก็บนั่งกินสบายอยู่บนนั้นใช่ไหมไอ้คนหลังแบกขวานมาด้วยะไปเห็นเออนะผลไม้ก็ผลดอกมันมีตกร่วงมาให้เรากินเลยไอ้เราก็แบกขวานมาต้นไม้ก็ขึ้นไม่เป็นอยากกันนั้นเลยฟันมันเลยเนี่ยนะก็ปอกปอกปกปอ ก, ปกเข้าไปนนไอ้คนข้างบนเนี่ยทำไงอ่อ ถ้าอยู่นะถ้าอยู่ต่อเนี่ยถ้าล้มพร้อมกับต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นออทุกบางใบตายก็ทุกปางตายนัย่นแหละกามทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าเรายึดในวัตถุนั้นๆโดยที่ด้วยอภิชากบโทมนัสเนี่ยด้วยราคะโทสะถ้าไม่ปล่อยตกนรกแน่ววัตถุไหนบางที่เรามีแล้วไม่ทำให้เราตกนรกเลยนะมีไหมมีเพราะโดยมากสัตว์เนี่ยไปล่วงกรรมบทในเกือบทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้อง ไม่ล่วงกรรมบดเพราะปานาติบาตก็อาทินนาทานไม่อาทินนาทานก็ก้าเมไ ม, เม่ก้าเมก็มุสาวาตไม่มุสาวาทก็พุสวาราเพราะทุกอย่างมันไปล่วงกรรมบทได้หมดอ่ะอันถ้าหากว่าผู้ใดไม่ปล่อยนะถ้าล้มไปพร้อมกับสิ่งนั้นเนี่ยนะอ่าสํานวนว่าพอใจไหมถ้าจะมีแม่บ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายเนีเนะดีใจไหมจะมีพ่อบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายนะเอาไม่มีลูกเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยเอาไหม อา้าก็เลี้ยงกันยังดีเนี่ยทำไมไม่เอาอ่ะก็น่าจะเอาใช่ไหมพอใจไหมมีบ้านหลังที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอารมณ์ก่อนตายไม่เอาอีกเนี่ยอาหารที่เราทานทุกมื้อไปเป็นอารมณ์ก่อนตายก็ไม่น่าสนใจอีกใช่ไหมแสดงว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอ่ะนั่นนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายึดติดติดข้องในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตายไปรู้ว่าไปไม่ดีแน่เนียนะเรียกว่าล้มพร้อมกับอารมณ์นั้นที่สแสวงหาทุกวางทุกอย่างเนี่ยนะ ไปไม่ค่อยดีแน่นอนอะอนะท่านก็เราว่าเหมือนผลไม้มีผลดกอกนะเพราะใครที่ไม่ยอมลงไม่ยอมปล่อยจากวัตถุกรรมเนี่ยเดือดร้อนแน่เนี่ ย, ยตายเพราะติดข้องในบ้านตายเพราะติดข้องในที่ดินตายเพราะติดข้องในลูกในบุตรในภริยาในสามีในาทาสกรรมกรคนใช้ที่ทํางานทั้งหลายแหละเนี่ยไปไม่ดีแน่ เพราะฉะนั้นต้องรีบออกว่างั้นนะรีบลงรีบออกนะถ้าใครอยู่เฝ้าหมกมุ่นกับสิ่งนั้นก็ตายเป็นทุกแน่นอนอ่ะนะเพราะฉะนั้นที่เห็นสัตว์ทั้งหลายอย่างเมื่อกี้เนี่ยสัตว์อะไรเหมือนกับมันเหมือนกับท่อนไม้สักชิ้นหนึ่งเหมือนใบสนอะ่ะั้นเหมือนใบศนก็เป็นสัตว์อ่ะเหมือนเปลือกศนก็ยังเป็นสัตว์อีกกันนะสัตว์นี่มันวิจิตพิสดารเนี่ยเพราะอะไรเพราะติดข้องนั่นแหละเพราะความติดความข้องในวัตถุกรรมอะทาให้ไปเกิดในที่นั้นนั้นอะ่ะ ดีนะก็บอกนรกกับเดรฉาญไหนดีกว่ากันเนี yeah. ่ยเดรฉาญถ้าเราเจริญมุติตาให้กับพวกนี้บอกเออดีกว่านารกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะของเราถ้าติดข้องในวัตนะถุกรรมนะทาไมอบรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยไม่พน้นหอกมาเป็นลูกหลานพวกนี้แหละพวกนี้แหละจะเป็นบนรบรพบรุษของเราทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเพราะถ้าเรายังติดข้องในกามอยู่